บุกทูห้าสิบเอ็ดควินเดอูนการไปทำธุระปริซอร์กิคอมมิชชยนดิฉันอยากไปห้องสมุดมิโ o ลัสอิริอัลลาดิบิโอเทโกดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ มีเวลาสิริอัลล่าลิ e รูที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมม์ mi vol alla v าสิริอั a ล่ากต์เวเดที่ฉันอยากยืมหนังสือ mi vol v วลสิร nte เตเพลรที่ฉันอยากซื้อหนังสือติ ดิฉันอยากซื้อนังสือพิมพ์มีวอลัส s ัดแชตท g a z e t t ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ MI v o l a s i r i ิ a ั l ลา i ิบิโอเตโ p พอกรุ่นเตเพรน l ล b r o ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ MI alla v o l a s i r i ิ a l l ลาลิบรอเวนเดโ Por ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ alla por ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา alla ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต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 ดิฉันอยากซื้อขนมปังมีอชติบกนให้ผดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา mi v o ลลัสอิริอัลลาอบอเชติตอคูลวีดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักมีวล อ, อลลร เเดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังนิโวลัสอิริอัลลาปานิสโตพออเชติบูลโคินไฮปานอน